ที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง f 89. m 89.5 เมกะเฮิรตวิทยุราชมงคลธัญบุรี ไปขาไม่ได้ราคาเสียเวรับเวลาเสียที่นาฟรีตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยอ เสียบด้ยดอกกัญชาตัวที่เองใช้คุยเบ่งทับทมเกลือนข้าวพันผสมครงการข้าวจัดมาให้พี่เป็น แม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นคนเมืองดีตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดก็ดีพอดี เป็นพักลมเหมือนข้าวพันผสม เล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมตุ้ยชวาริดอรุณทัศน์นะครับกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักกลับมาพบกับทุกๆคนอีกครั้งนะครับสําหรับคืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนครึ่งไปจนถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังรีรันได้ในวันจันทร์นะครับทางเฟซบุ o กไลน์ของเพจของสถานีนะครับสําหรับเพลงที่เพิ่งจบไปเปิดรายการเมื่อกี้เป็นเพลงรักกับพี่ดีแน่นะครับเป็นน้ำเสียงของคุณสีหนุ่ม เชินยิ้มนะฮะซึ่ง เ, เวอร์ชันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินแต่แกเคยร้องเอาไว้ในอัลบั้มเพลงรวมญาติันหยุดที่ทางค่ายทีวีทันเดอร์เคยทำทั้งเป็นรายการเพลงแล้วก็เป็นละครเพลงแล้วก็ทำอัลบั้มเป็นซีดีเป็นเทปออกมาด้วยนะครับฮะก็เรียกได้ว่าออสองอาทิตย์ที่ผ่านมา รวมถึงอทิตยนีย้นะฮะก็เราก็จะพูดคุยกันถึงวงการเพลงลูกทุ่งค่ะน<ม>ัรกร้อ ง, องลูกทุ่ง<ม>ค่อนข้างอาจจะแปลกใหม่สําหรับคนฟังรายการเรื่องเกา่าเทวรักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาพูดถึ ง, ถงเพลงลูกทุ่งหรือว่าวงการนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นสเสน่ห์เป็นสีสันที่ทําให้วงการเพลงน่าประทับใจน่าจดจําเป็น อ, อ, อีกความทรงจําหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดถึงนะฮะคุณต้นครับแน่นอนวันอาทิตย์นี้ก็คุณต้นยังอยู่กับเราแล้วก็ จะมาให้ความรู้ในเรื่องวงการเพลงลูกทุ่งที่คุณต้นชื่นชอบด้วยนะครับครับคุณต้นครับครั้งอาทิตย์ที่แล้วนะเราพูดถึงองค์การเพลงลูกทุง่งทั้งยุคแรกยุคกลางแล้วก็ยุคห ล, ง ล, คลังไปแล้วนะฮะวันนี้เราจ ะ, ะมาเริ่มต้นการพูดคุยกันด้วยความประสบะการประสบความสําเร็จของนักร้องลูกทุง่งหลายๆคนที่โด่งดังจากเพลง เพลงแจ้งเกิดหรือว่าการขายเทปขายแผ่นเสียงนะฮะแล้วก็ดังมากเรียกได้ว่าดังจนกระทั่งมีผู้สร้างหนังสร้างละครติดต่อไปเล่นหนังไปเป็นพระเอกนางเอกก็มีใช่ไหมฮะค<ช>ุต้นสมัยนั้นเท่าที่จําได้มีใครบ้างครับถ้าไล่มาเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับคำรุนสมบุ์นั่นเลย นู้นเลยโอเล่นแผละเก่าในเวอร์ชั่นแรกๆแต่ตอนนี้คงไม่มีให้ดูแล้วนะถ้าเป็นภาพยนตร์กี่ปีแล้วฮะอันนั้นโอ้น่าจะก่อน2องพันห้าร้อยะเรียกว่าโอ้ยก่อนคุณสรพงษ์นานมากใช่ครับใช่ใชเวอร์ชันคุณช่วยส่งสีนี่น่าจะสองหนึ่งสองสองใช่ครับเก่ามากครับเก่ามากจนมายุคหลังๆนี่ก็จะมีหลายคนนะเท่าที่เท่าที่เราเห็นเห็นก็เยอะอยู่นะะครับอก็จะมีบุพภาไสยชนนะฮะที่ดังจากเพลงมาแล้วก็มาเล่นหนัง ตอนนั้นแกเล่น อ, อ, อาจจะก่อนใจลูกทุง่งมลรักลูกทุง่ง อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยเวอร์ชันมิดเพชราใช่ไหมฮะอ่าตอนนั้นไม่ใช่แล้วจะเล่นกับชายาและนะชายาเหรอใช่ชายาชายาสุรยิยันใช่ครับใช่ไม่ใช่ชายามิใชัยก็จะทันจะทันในยุคมิตรก็จะเป็นมนลรักษ์ลูกทุ่งมลรักลูกทุงกกท่งก็จะมาเล่นกับใครนะพี่แว่นใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นเราบทโดย ใช่น่ะซึ่งเป็นนักร้องอยู่เหมือนกันอยู่ในวงเดียวออใช่อยู่<อ>นะในวงนั้ น, นครับเอออย่างเรื่องมนุรักลูกทุ่งเนี่ยเ อ, อมันดังมาจากเพลงก่อนใช่ไหมฮะใช่ฮะหรือว่าหรือว่าเป็นเพลงประกอบหนังแล้วถึงเป็นเพลงประกอบหนังนี่แหละครับก็คือดังจากหนังมาก่อนดังมาจากหนังด้วยแล้วก็คือตัวเพลงก็ดังตามมาเลย หมายความว่าสร้างหนังขึ้นมาใช่แล้วก็ทําเพลงประกอบลงไปในหนังเพื่อที่จะใช้ในหนังอ่าใช่ในหนังใช่ครับพอหนังดังมาปุ๊บเนี่ยเพลงเขาก็ดังตามมาด้วยโอ้เพลงก็ดังตามมาด้วยก็ขายแผ่นเสียงด้วยตอนนั้นก็คือขายกันถล่มทลายเหมือนกันเวอร์ชั่นนี้ดังที่สุดก็คือเป็นเป็นของเวอร์ชั่นคุณมิตรใช่ไหมฮะใช่ครับพิชชาลาก็กำกับโดยคุณรังสีทัศน์พยักษ์ใช่ไหมใช่อันนี้เขาว่าได้กันเป็นเป็นสิบล้านได้ไหม นอกจากน่าจะเป็นล้านครับหลักล้านได้หลักล้านใช่ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยโอ้เท่าไหร่อะสี่สิบสี่สิบกว่าปีใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะ่ใชถือว่าเป็นรายได้ถล่มทลายเลยนะฮะถ้าหลักขึ้นหลักล้านเนี่ยใช่ครับรู้สึกจะฉายกันข้ามปีเลยเหมือนกันนะฉายกันหลายเดือนหรือเป็นปีเลยนะแล้วก็ส่งผลให้คนที่เกี่ยวข้องในหนังเรื่องเนี้ยประสบความสําเร็จหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นกํากับดารา ที่เล่นรวมไปถึงนักร้องตัวเล็กตัวน้อยที่เล่นในหนังด้วยใช่ฮะใช่นักร้องเยอะดาราก็เยอะนักร้องเยอะในเรื่องนี้อ่าใช่ครับมีมีมีใครบ้างนะฮะในเรื่องนอกนอกจากคุณบุตผาแล้วก็ที่ดังๆก็จะมีคนไพ่ไปดำเนินนะฮะที่ร้องเพลงอะไรน้ำลุงนกล้องนะฮะนกกระปูดตาแดงอ่ะนะอ่าแล้วก็จะมีบรรจกใจพระอ่าบรรจกใจพระทป็นอะไรคุณสีจะอะไรน่าสีภัยใจพระ อ่าสีภัยใจพาก็เล่นด้วยใช่ไหมอ่าครับก็อ่าสีภัยใจพานี่ก็คือตอนนั้นเขาก็มีวงดนตรีของเขาเนะ่ก็คือคุณปุผาเนี่ยก็อยู่ด้วยนะอยู่ที่วงเดียวกันอยู่วงเดียวกันนะะตอนนั้นเป็นแฟนกันอ่าตอนนั้นเป็นแฟนกันใช่ตอนนั้นเป็นแฟนกันนะก็อยู่อ่าก็มาเล่นด้วยกันเล่นคู่กันเลยนะเล่นคู่กันเป็นตัวรองเป็นเป็นนางรองกับพระรองอยู่สองคนเพราะตัวที่เป็นเพื่อนก็อีกนางเอกอ่าใช่ใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนพี่คราวอะเป็นเพื่อนพี่คราว ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ผสมความสําเร็จมากจนมีการสร้างต่อๆมาอีกหลายเวอร์ชันใช่ไมับใช่แต่ว่าที่ถือว่าพีคสุดก็คือเวอร์ชั่นนี้แหละใช่ครับมิดเพชราใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอมตะที่สุดแล้วอืมครับครับจากนั้นที่นอกจากบุรุษลูกทุ่งแล้วก็ยังมีเรื่องโทนที่ได้รับความนิยมมากๆเพลงดังด้วยใช่นะฮะโทนเนี่ยก็คือแจ้งเกิดให้คุณสังทองสีใส ใช่คแต่ว่าเพลงในคือคุณชัยญาสุดใช่ชัยาสุริยานแล้วก็คุณอรยานามงใช่แต่ตัวเน่นก็คือคุณสังทองใช่แล้วก็เพลงก็ดังมากมีหลายเพลงเลยใช่ไหมก็คุณสังทองในเรื่องนี้ร้องสองเพลงครับเพลงยาบอลแล้วก็เพลงโทนสองเพลงโทนใช่ครับซึ่งโทนเนี่ยสึ่ปัจบันนี้ผมยังได้ยินอยู่นะอ่าใช่ก็มีนักร้องรุ่นหลังๆเนี่ยเอามาร้อง เยอะจําได้ว่าคุณเบนชลาทิศก็เคยมาร้องด้วยใช่ซึ่งก็เพลงก็รู้สึกว่ามันล้ำเนาะใช่แต่งมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยแต่ว่าพอมาร้องในยุคนี้มันก็ยังเข้ากันได้ดีกับยุคปัจจุบันแล้วครับเข้ากับเอนักร้องที่นํามาร้องในยุคนี้ด้วยนะครับครับเขาว่ากันว่านักร้องนักทุ่งที่เกิดขึ้นมาในวงการเนี่ย ส่วนมากจะเกิดมาในช่วงปี2520ถึง2528ในช่วงระยะเวลาประมาณ8ปีเนี่ยมีนักร้องใหม่ๆเกิดขึ้นมากก็ได้ไดรับความนิยมมากด้วยใช่ตอนนั้นที่ถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยที่ที่ที่แจ่งเกิดแล้วก็คนแบบ โ, โหคือหาเกน่นมากก็จะมีพี่เต้าสายยัสัญญาใช่พี่เป้าสาัาสญญาใช่ฮะแล้วก็<ช>คุณเกรียงไกรกรุงสยามอ่าครับมีคุณยอดรักสลักใจ ค, คุณอ่ใครอะ อสอน<ม>เพศรสอนสุพรรณสอนชัยเมฆวิเชียรนะตอนนั้นครับแต่ละคนเนี่ยเามีเอกลักษณ์แตกต่างกันยังไงคุณคุณต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นวงของพี่เป้าสายันสัญญานะก็จะเป็นวงที่ดังมากนะไปที่ไหนก็คือวิกแตกเอาง่ายๆนะแต่ปิดปิดวิทที่ไหนหรือไปแสดงที่ไหนหเน่เต็มทุกรอบนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไปในส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบฟังเวลาพี่เป้าพูดนะครับ จะมีอ่าจะเป็นสคริปต์พูดของเขาเลยและทุกคนจะเงียบมากรักสายรุ้งน้อยแต่ขอให้รักนานๆแล้วก็ขอว่จะสั่นๆหน่อยใช่ครับก็คือทุกคนจะตั้งใจฟังมากจะเงียบกริบหมดเลยก็จะจะฟังพี่เป้าพูดเป็นอะไรที่แบบไม่มีนะออปัจจุบันไม่ไม่เคยเห็นนักร้องคนไหนที่คนจะมานั่งฟังแบบเขาพูดนะฮะเวลาเขาพูดเปิดตัวเวลาเขาชมเวลาเขาเล่นกับ เอกลักษ์ของแกเนี่ยตลกเอามาล้อเรียนกันเาอะตลกมาเล่นกันเยอะนะแล้วก็อย่างนี้ก็คือเหมือนคราวหนวดเ็าเรียกกันแพะเลัแพะคันแพะในส่วนของคุณยอดรักสลักใจนี่ก็ดังไม่แพ้กันแล้วก็คุณยอดรักเนี่ยได้เปรียบตรงที่หน้าตานะฮะดูดูดูหลอดูมีออร่ามีราศีของความเป็นพระเอก หนังด้วยนะพ่อแกอิงก็เล่นหลายเรื่องนะครับยังพี่แอลนี่ก็เล่นเล่นอยู่หลายเรื่องยังพี่เป้าก็เล่นหลายเรื่องครับเคยเล่นด้วยกันก็มีอเสน่ห์นักร้องเคยเคยเคยดูไหมครับก็จะมีที่มีคุณนวลัตด้วยป่ะอ่าใช่ครับคุณนวรลัตแล้วก็พี่พึ่งเล่นด้วยนะครับพี่พึ่งแพี่เป้าพี่แอลเล่นใช่ใเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่มาเจอกันแบบนักร้องดังๆสามคนมาเจอกันในเรื่องนี้อ๋อทลายทลายใช่ครับ ยุคนั้นเนี่ยคุณนวลรัตยุคตะนันเนี่ยก็เป็นนางเอกอันดับหนึ่งะครับใช่ครับสวยมากใช่แล้วก็เป็นหนังที่เขาเรียกว่าพอชื่อนวลรัตมาเนี่ยขายสายได้อะใช่ใช่แล้วคิดดูนะว่าการจับเอานักร้องลกทุ่งระดับตัวพ่อตัวแม่ของวงการรวมถึงนางเอกตัวท็อปอันดับท็อปเลยใช่เบอร์หนึ่งเลยนะตอนนั้นมารวมกันเนี่ยทําให้รายได้ของหนังเนี่ยโอ้โหถล่มทลายเลยนะครใช่ครับก็ โอเคอยู่นะทั้งแฟนเพลงทั้งแฟนพิจิกนวลัดด้วยนะครับก็คือคูณกันเข้าไปเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อ น, เ, นเวลาการทําหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าชื่อของพระเอกนางเอกชื่อดารานำเนี่ยมันขายสายได้เนี่ยเขาบอกว่าแค่ประกาศว่าจะสร้างเนี่ยสายหนังเอาเงินมาวางให้แล้วใช่ฮะโดยที่ไม่ได้เปิดเปิดกล้องเลยนะใช่สายเหนือสายใต้ได้แย่งเงนเอาเงินมาวางให้แล้วเพื่อที่จะให้มีการสร้างหนังแล้วก็เชื่อว่า รายได้ของหนังเนี่ยจะไม่ทําให้เขาขาดทุนใช่ครับฮะซึงซึ่งสมัยนีย้มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะอันนั้นเป็นยุคทองของทั้งวงการเพลงวงการหนังซึ่งมันได้ผ่านไปแล้วใช่ครับอนอกจากคุณย้อนรักคุณสายานแล้วตะกี้เราพูดถึงคุณเกรียงไกรกรงสยามเนี่ยแกเป็นเจ้าของเพลงอะไรบ้างคะดังๆเลยก็ชวนน้องแต่งงาน ทำไมน้องไม่แตงพันเพราะอันนี้คือแกเป็นคนร้องเวอร์ชันแรกของต้นฉบับเลยใช่ไหมแล้วคุณสอนเพชรสอนชุพันอันนี้เพลงอะไรฮะสอนเพชรถ้าในยุคแรกๆก็จะเป็นยิดแก้มยอกโชคดีคับแฟนอะไรพวกนี้โชคดีครับแฟนแต่ต้องใช้ลูกคอหน่อยนะพอดีลูกคอไม่เหมือนสอนเพชรก็จะเป็นยุคนั้นเลยถ้าเป็นยุคแรกๆนะอ่า แล้วก็คุณสอนชัยไม่วิเชียนสอนชัยก็อ้อนจันทร์ายงัดจันเอ้ยจันเจ้าอันนี้ปลกไ่ใช่ใช่ครับใช่เพลงนี้เลอ้อนจันทร์เพลงนี้ได้รับรางวัลด้วยพายงัดนี่เกมมันร้องอ้อนจันทร์พายงัดใช่ครับภายงัดกอลลมอ่ะนีอใช่ครับใช่เพลงนี้อายงัดซึ่งคุณคุณสอนชัยไม่วิเชียนเนี่ยก็คือเป็นนักร้องรุกทุ่งที่หน้าตาดีคนหนึ่งกันคิวทันดีนะใช่ฮะตอนนั้นผมเคยเห็นแค่ตอนเด็กๆเคยไป ไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านแถวๆบางนาแล้วก็เห็นแค่นั่งตกปลาอยู่ในหมู่บ้านใส่พ้าคอ้าแล้วกนั่งตกปลาอยู่นะซคือเออผิวเอานั้นตาผิวพรรณแกก็จะค่อนข้างแตกต่างจาก้องรู้ทุ่งอื่นนิดนึงนะฮะท่านเป็นนักร้องที่ไม่ถือตัวครับสบายๆกับแฟนเพลงมากจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ปัจจุบันท่านทาอะไรอยู่ฮะก็ยังเดินสายร้องเพลงอยู่รับเชิญร้องเพลงใช่ครับใช่ครับยังร้องอยู่อก็ยังออกงานเดินสายอยู่เรื่อยๆครับ ในส่วนของนักร้องชายเนี่ยเราจะพูดกันไปขอบทุกคนละการแจ้งเกิดของนักร้องหญิงในยุคนั้นเนี่ยถือว่าพีกมากเหมือนกันนะฮะมีทั้งคุณพุ่มพวงดวงจันคุณนันทิดาแก้วเบอสายคุณดาวใต้เมืองตังแล้วก็คุณอ้อยทิ ป, ปัญญาทรอะไรต่างๆพวกนี้ครมีใครอีกไหมครับในี่คนั้นที่จำได้เท่าที่จําได้ในยุคนั้นนะครับนักร้องลูกทุ่งที่เป็นผู้หญิงนี่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าผู้ชายเยอะเหมือนกันนะ มันขึ้นมายากเนาะการเป็นนักร้องนักร้องลูกทุ่งหญิงเนี่ยเพราะว่าลักษมีของนักร้องลูกทุงชายกรบใช่ครับแต่ว่าก็มีอยู่สองสามคนนะที่เขาถือว่าเป็นสามนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้นก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์รแล้วก็ช่วงนั้นก็มีคุณดาวใต้โดยใช่ไหมฮะใช่ครับดาวใต้เมืองตรงังและที่น่าตกใจก็คือ พี่ตู่ของเราณทิ <c oughs> ราแข้วบัวสายหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ตู่ณธิดานี่หลังจากที่ได้รางวัลนักร้องแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยกลับมาทําอัลบั้มเพลงลูกทุ่งครับคุณใครจะไปเชื่อว่าดีว่านํานึงของไทยใช่ร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนใช่หลายๆคนไม่รู้นะฮะแต่ว่าเพลงดังๆของแกเนี่ยเยอะมากนะใช่ครับถ้าเป็นลูกทุ่งในเพลงดังกก็เยอะนะฮะมีจํากันบวารีกา มีควายว่างแมนบอใชมีเอเย็นไว้โยมโอ้มีอะไรแะหลายเพลงนะฮะของแกเยอะอยู่เยอะอยู่ครับแล้วก็แฟนคลับไม่มีป้ายแขวนคอใช่แกดังจนถึงขนาดว่าได้รางวัลด้วยนะรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำด้วยนะจากเพลงลูกทุ่งนี่แหละควายว่างแมนบอนะจะไม่ผิดใชก็อืมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทํำไมนักร้องหญิงถึงดังยากกว่านักร้องชาย นต้นอาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสมัยก่อนนี้คือแบบนักรองผู้หญิงเนี่ยในยุคน้นเนี่ยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมด้วยนะเพราะอาจเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเกี่ยวกับประมาณว่าเต้นกินลำกินมันจะไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมคิดว่านะแล้วมันเกี่ยวไหมว่าแฟนเพลงที่ฟังเพลงเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เลยชอบฟังนอกลองชายใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแฟนเพลงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบฟังเพลงผู้ชายซะเยอะ อ, อย่างเป็นแฟนเพลงพี่เป้าก็จะไปแหไปฟังพี่เป้าแฟนเพลงพี่แอลก็ไปฟังพี่แอลคนไะเยอะครับนะถ้าทงนั้นถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์กันว่าอย่างนักรองหญิงเนี่ยที่ที่เราพูดกันมาอย่างคุณพุ่มพวงคุณนันทิดาคุณดาวใต้เนี่ยช่วงนี้นดังขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลอะไรอาจจะด้วยความสามารถของเขาเองด้วยน้ําเสียงความสามารถนะอย่างอย่างพี่ตู่เนี่ยประกวดชนะมานะน้ำเสียงก็เลย อ่ามีห้างเป็นเสียงหรือในทุนอะไรเนี่ยตํับทเพลงให้ห้างอ b c บีตอนนั้นไม่ได้ทำเพลงให้เนอะแล้วก็เอ่อตในขนาะเดียวกันเนี่ยอย่างของของคุณพี่ตูนทิ้าเนี่ยก็คือหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลูกทุ่ง1้อเปอร์เซ็นปลูกทุ่งแบบไกลๆก็มีมีเสียงวิจารณ์เล็กน้อยมีนาสิกเล็กๆนว่าว่าเอ๊ะ ทำไมไม่ใช่ลูกต้องแท้ๆทำไมได้รางวัลอะไรเงี้ย<ม> ก, ก็มีบ้างตอ<ม>นนะั้นมีดราม่าเบาๆนะฮะ<ม>แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพี่ตู่เขาทําให้ทุกคนได้เห็นว่าความสามารถที่ ม, มีอยู่ในตัวแกเนี่ยทำให้ทุกคนหมดข้อกังขาจนถึงทุกวันนี้40สกว่าปีอยู่ในวงการมาได้โดยตลอดโดยที่มีแฟนเพลงสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันแกจะเปลี่ยนสายมาร้องเพลงเป็นเพลงฟังเป็น easy listening สบายๆไปแล้วนะแต่ว่า เราจะจดจำความเป็นลูกทุ่งหญิงเบอร์หนึ่งแหน้าของแกได้อยู่นะครับครับในเมื่อมีการพูดถึงวงการเพลงลูกทุ่งที่มันยุคทองที่มันพีคสุดๆแล้วเนี่ยผมมาช่วงหนึ่งสักประมาณปี2อง1ดจนถึงพศ2 5งเนี่ยวงการลูกทุ่งซบเซาลงตอนนั้นกุณต้นทราบสาเหตุหรืว่ามันเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุหลักๆผมว่าน่าจะมาจากในยุคนั้น เพลงสตริงได้เข้ามามีบทบาทเยอะนะครับวงสตริงต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้เด็กในยุคนั้ น, นหันมาฟังสตริงกันเยอะเพลงลูกทุ่งก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะก็เลยดอกลงไปแล้วก็จะมีวงสตริงอีกมากมายวงเล็กวงน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผลขึ้นมาอีกเยอะมากเลยหมายความว่า คนชนบทคนต่างจังหวัดเองก็ไม่ฟังเพลงลูกทุ่งหรอกครับในช่วงนั้นก็อาจจะฟังแต่อาจจะฟังน้อยลงฟังน้อยลงอครับแต่ก็ตาหลังก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกใช่ครับตั้งแต่มีคุณยิ่งยงเนาะสมศรีหนึ่งเก้าเก้าปีนั้นทําให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งใช่นะครับวิเขาว่าขายได้เป็น10บสล้านเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นเป็นเป็นชุดที่เขาเรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์ ลกทุ่งเลยก็ว่าได้นะณตอนนั้นนะฮะทำให้วงการลุกทุ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฮือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ม, มีแรงที่จะมาผลักดันนักร้องใหม่ๆที่เป็นนักร้อง<ม>ลูกทุ่งนะครับให้มันดังขึ้นมาอีกครับดังจนถึงขนาดว่ามีเพลงแก้เป็นผู้หญิงร้องใ ช, ใช่ใช่ใช่ที่อะไรจาได้ไหมคุณบคุณต้นน่าจะเป็นเสียงจากสมศรีออของพี่หายอภพร จากพี่ชั่อาปอ์นดังมาจากค่ายเดียวกันนะแต่ตอนแรกพี่ไฮก็ไม่ได้ดังะใช่ครับตอนแรกพี่ไฮไม่ได้ดังในยุคนั้นเนี่ยพี่ไฮก็คือเป็นที่รู้จักจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่แต่เป็นที่รู้จักว่านักร้องของค่ายนี้ก็จะมีพี่ไฮนะที่เป็นนักร้องหญิงหลักๆบ็อกซิงสาวใช่ไมบ็อกซิงสาวใช่บ็อกซิงสาวทราบมอกว่าเหมือนแกออกระายมา9้าชุดแล้ว จนจะเลิกออกกแล้วมันดังเอาชุดสุดท้ายพี่ไฮใช่ไหมยช่ใช่มันพลิกผันดวงคนนะนะครับใช่อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดนะครับอปัจจุบันลูกทุ่งในสายต่างต้นเป็นยังไงบ้างปัจจุบันสําหรับผมก็พูดว่าสําหรับผมคือต้องเลือกฟังนะครับที่เป็นลูกทุ่งแท้จริงๆผมว่าน่าจะหาฟังได้ยากอย่างที่บอกนะครเพราะว่าตุกวันนี้อาจจะอาจจะไปเน้น ที่การแต่งตัวเน้ท่าเต้นเน้นไม่ได้เน้นเสียงแล้วนะและแนวเพลงก็อาจจะฉีบออกไปอาจจะไม่ใช่ลูกทุ่งแทๆ100้ๆร้อเปเ็นที่เราเคยฟังกันมาครับฮะแล้วอนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งต้นมองว่ามันจะไปในทิศทางไหนฮะสาหรับผมผมคิดว่าคนลูกทุ่งยังมีอีกเยอะนะครั บ, รบผมว่าลูกทุ่งไม่น่าจะตายนะลูกทุ่งน่าจะมีต่อไปเรื่อยแต่ว่าจะไปในทิศทางใดอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกที ปัจจุบันนี้ขายงานยากแล้วทางออกทางรอดของมัน ค, คุณต้นไว้ยังไงมันจะต้องควรจะต้องอยังไงผมว่าเขาเรียกว่าอะไรลหละอ่ามันต้องมีความสามารถต้องมาก่อนนะต้องมีความสามารถด้วยนะนะครับก็หวังว่าคนลูกทุ่งทั้งหลายไปจนถึงแฟนเพลงเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งคน ทำเพลง ค, คนฟังเพลงแล้วก็ตัวเพลง ใ, <ช>ให้มันก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตนะฮะแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้คนไทยมีความสุขไปจนถึงอนาคตภาพเพลงลูกทุ่งได้รับการอนุรักษ์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับสําหรับวันนี้ผมชมฤทธิ์รุร่นทันและคุณต้น ตอนต่อพิจิตนั่งร้อเพลงเก่าขอลาไปแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับก็มีโ อ, อกาสก็กจะเชิญมาคุยอีกนึนะครั บ, รบยินดีกรับผมครับลากันด้วยเพลงลาสาวแม่กลองนะครับเ <ใช S 1> สีย ง, งของคุณออสบัันดีกับคายนิติทัศน์ที่เคยโด่งดังมากๆเมื่อเป็นสิบสปี <10 S 1> มาแล้วนะนครับอันนี้ก็ขายได้เป็นล้านเหมือนกันใช่ครับใช่ครับครับสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก จากน้องคนงามแววบดรถไฟพี่แสนอาไลสมุ่งสงครามคงละเมอเพอพรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองรากชะการทหารเรียกใช้ลูกน้ำเค็มข้าวท้าเพื่อไทย เตรียมเอาไว้ทุกกองที่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาพินแม่กลองคงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยที่กลับมาเมื่อสงกรานงานบัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมชะแลน เมื่อคืนข้างแรมเมษาสงน้ำรวมน้องปิดท้องราปฏิมาอธิษฐานรักอยู่หูฟ้าวังเกิดมารู้วมใจปมประจุนไกลบ้านห่างนอง้องเมื่อฝนมาฝ่าฟ้าจนอง ได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาปากป้าครุ่นมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวญห่วนให้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง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 R M U T T Radio